ยังมีความจริงที่เธอไม่รู้ฉันคงลืมบอกเธอคิดเองอยู่เสมอว่าเธอท่าเข้าใจจนมาวันหนึ่งเธอไปจากฉันแล้วมีใครอีกคนเพราะเธอบอกแค่ผนว่าฉันไม่มีใจ อยากบอกให้รู้อยากจะบอกเอาไว้อยากเปิดหัวใจมาว่าเธอไม่รับไปรู้ว่าสายเกินไปจะบอกถึงรู้ไม่มีประโยชน์ก็จบไปแล้วจะวันไรแต่เขา ให้รู้ความจริงสักอย่างที่ขังที่ค้างในใจอยากบอกไว้ให้เธอรู้รักเธอ ฉันขอรับไว้ในความผิดนี้เสียเธอไปอย่างนั้นกรู้ว่าผิดที่ฉันเพราะฉันไม่พูไปไอยากบอกให้รู้อยากจะบอกเอาไว้อยากเปิดหัวใจแม้ว่าเธอไม่รับฟ ปวดใจกันไปจะบอดถึงรู้ไม่มีประโยชน์กูจบไปแล้วจะวันอะไรแต่เขาให้รู้ความจริงสักอย่างแตครั้งที่ข้าในใจอยากบอกว่า อยากบอกให้รู้อยากจะบอกเอาไว้อยากเปิดหัวใจมาว่าเธอไม่อยู่รับฟังรู้สายเดินไปจะบอกถึงรู้ไม่มีประโยชน์จะจบไปแล้วจะหวังอะไรแต่เข้า ที่รู้ความจริงสักอย่างจะ่ข้างที่ข้าในใจอยากบอกัไวให้เธรู้ว่ารู้รู้สักใจจะบอกถึงรู้ไม่มีประโยชน์จะจบไปแล้วจะหวังอะไรแต่เขา สักอยางที่ข้างที่ ข, ทข้าในใจอยากบอกไว้ให้เธอรู้รักเธอ